แบดนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องปารมีสามสิทัตถ์ข้อที่เกเรียกว่าเมตตาบารมี ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งคือมีคุณอันยิ่งใหญ่มีพระปัญญาที่คุณอันยิ่ง พระบริสุทธิ์ที่คุณอันยิ่งคือความบริสุทธิ์ใจใจพระองค์สะอาดสว่างสงบฉะนั้นเราเป็นนักบวชเนี่ยเริ่งต้นเลยเนี่ยที่สัมผัสได้ง่า ย, ยคือความเมตตา เกศผสัตทั้งหลายตั้งแต่มดตัวเล็กๆไปถึงช่างมาโคกระบือในที่สุดมนุษย์เราต้องเว้นคือหยุดมีความเมตตาเสมอกันหมด พูดตามทำแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนี้เราอาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันก็นได้ได้รู้ว่าชาติไหนพวกไหนหมดก็อาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องเราก็ได้ล้วก็คิดอย่างนี้ช้างมาเป็ดไก่สุกรสุนัข สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ใกล้พบผู้มนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเราอยู่ใกล้กันที่สุดเลยใกล้หมูแมวใกล้สุนัขบางทีเราไปทานไปฉันเป็ดไ ก, ก่โกกระบืออีกก็เป็นได้ ฉังนั้นเราก็พิจาราก่อนฉันที่ทางคณะสงฆ์ก็พาพิจารณาทุกวันอะปฏิสังขาโยโิโซปินทะปาตั้งปฏิเจวามิเรายอมพิจารณาโดยแยกายแล้วฉันบินทาบาทบินทาบาทหมายถึงอาหารบินทาบาท ที่ทุกท่านทาก็จะได้เป็นอาหารบิณฑบาตเหมือนกันพอท่านออกมาถวายพระทั้งตอนเช้าทั้งตอนเพลงทั้งพระทั้งโยมเราก็ต้องพิจารณาให้มีความเมตตาต่อสัตว์อันไหนพอฉันได้เราก็ฉัน อันใดฉันไม่ได้ลราก็เว้นเวรมณีคือเว้นหยุดถึงมันจะมีอยู่ต่อหน้าเราเราก็เว้นซะเช่นพวกเป็นของดิบเนื้อดิบลาบดิบดิบอะไรเนี่ยบางทีเราอยากกัะฉันเราก็ไม่ควรฉันเพราะฉันไปมันก็เป็นอาบัติปาจิตติถ้า ไ, ไงถ้าจำไม่ผิดนะ ยกเว้นเนื้อสิอย่างในในในในหนังสือเนื้อช้างเนื้อมาเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือโคงเนื้อหมีเนื้องูเนื้อมนุษย์เนื้อเหล่านี้น่าจะอริอร่อย มนุษย์เราเนี่ยเป็นรวมแห่งเนื้อเราฉันเราทานไปทุกวันเนี่ยมันเนื้อมันสับปะสเปดเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหมูเนื้อโคเนื้ออะไรสารพัดเนื้อฉะนั้นพิจารณาดูอะไรมันเว้นได้เราก็เว้นไป ยกเว้นแต่มันไม่มีเราก็ฉันไปตามที่ญาติโยมก็ตวายแต่เนื้อสิบอย่างเ้าต้องเว้นเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือโค้งเนื้อช้างเนื้อหมาเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อมนุษย์เนี่ยเป็นอริสอร่อยเฉพาะต้องสะโพก กําขาเนี่ยเอาไปย่างให้ดีๆโอ้โหอร่อยที่สุดก็ว่าอย่างนั้นนะเนื้อสะโพกนี่ก็อร่อยเพราะมันเป็นที่รวมเนื้อคือที่ไม่ฉันนะเมตตาเมตตาแก่สัตว์เมตตาก็ต้องดูคนด้วยนะ ว่าใครที่ควรเมตตาหรือไม่ควรเมตตาถ้าเมตตาเกินประมาณก็จะพบคนพานตลอดไปพานเนี่ยแลว่าอ่อนความรู้อ่อนใจอ่อนคือมันสู้กิเลสไม่ได้อะสู้ความโรคไม่ได้ สู้ความโกรธไม่ได้สู้ความหลงไม่ได้เขาเรียกว่าใจอ่อนภาลาภาคนพ่านในลักษณะหนึ่งมือไวสองใจเร็วสามพูดปดสี่หมดสติ ใจเร็วกะโมโหง่ายมือไวก็ชอบรักคนน่นคนนี้พูดปดก็คือโกหกหลอกลวงต้มตุนเยอะแยะเลยทุกวันนี้มือไวใจเร็วพูดปดหมดสติก็คือเมาวันนี้ไปเชียงรายเห็นรถชนกันสามคันเลย อีกคันหนึ่งหน้ายุบไปเลยแล้วนั่นก็ชนตูดกันอะไรกันมันเมาอะ่ะเข้าไปเชียงรายก็มีศาสตร์น้ำอะไรกันโอ้โหดูแล้วมันไม่สนุกแล้วก็ เ, เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์คนที่โดนสา์อันทีก็มอเต่ร์ไะค์ลเลไปเลยสาย์เอากระถังไปสาดโอ้โหมันเกินไปมันทีก็ดา่า ที่ไม่เจอนักเลงนักเริงเขาเด็กก็จริงกันตายอย่างเงี้ยนะแล้วก็หวังดีอยากให้เขาเย็นแต่มันมันเย็นเกินไปมันใช้กระถางตักสาสอะไรเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์มันก็ฉลับไปดีดีมันไปชนอยู่คันนั่งยุ่งเลยมันไม่รู้จักคําว่าพอดีคนเราทุกวันเนี่ยมันก็ปรารถนาดีนั่นแหละแต่มันไม่พอดี ไม่รู้จักความพอดีอยู่ตรงไหนโลกนี้มันถึงขาดขาดความพอดีคือขาดความเมตตานั่นแหละต้องคิดว่าเป็นเขาบ้างเป็นเราบ้างถ้าเป็นเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้าเขามาสา์เราแบบนี้จะทำยังไงะ ทําไปแล้วคนอื่นก็จะเป็นทุกข์ไหมล่ะเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ยิ่งเราเป็นนักบวชเนี่ยที่หลวงพ่อจัดสิบสามสิบสี่สิบห้าสามวันเนี่ยพอาะอะไรเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เบื่อข้างนอกก็ไม่อยากอยู่บ้าน ล, ลูกหลานมากินเหล้าเมายากัน เคาถวยกคชามเคาะหมอ้อเคาะหายเคาะปิ๊บเป็นดังมีแต่คนแช่งนะคนดีก็แช่งพวกนี้มันตายเร็วๆอะไรประมาณเนี้มันมันสนุกก็ไม่กี่คนหรอกแต่คนเป็นทุกข์เยอะเป็นรถน้ำดำหัวเป็นพปธีไปแค่นะ้ก็จบ รถพอ่อแม่ลถพี่รดน้องเราแค่นั้นไม่ต้องไปรถใครแล้วเรียกว่าลถบุคคลที่มีบุญคุณเช่นมีดามานดาเนี่ยเราก็เอาน้ำอบน้ำหอมไปดอกมะลิไปลดเท้าท่านไปล้างมือล้างหน้าท่านหรือก็เอามือวิตวิตให้ท่านเย็ยนใจหน่อยนึง แคนี้ก็ชื่นใจแล้วลูกเต่าที่มาบ้านนะไม่ใช่ว่ามาแล้วก็กินเหล้าเซ้นเหล้าเซ้นบุหรี่เขามีตอนกลับก็ให้พ่อแม่จ่ายแบบนี้พ่อแม่ก็ด่าตามหลังด้วย ป, ปีหน้ามึงไม่ต้องมาเลยน ะ, <c oughs> ะด่าตรงเฟซเลยมาแบบนี้มึงไม่ต้องมาละมาทําให้พ่อแม่เดือดร้อนลูกบางคนมันก็จริงๆนะ ทีเป็นรักข้าในเล้าแม่ไปขายมาไปซื้อเล้าซื้อบุตีกันกินโอ้ใครมีลูกสมัยนี้นะจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ดีก็ทุกไปทุกจนตายอะ่ะฉะนั้นใครยังไม่มีก็ไม่ต้องไปมีมันหรอกอยู่คนเดียวนี่ก็ทุกแย่ยนะ่ะพาราหะเวปัญจขันธาเนะี่ย ขันตั้งห้าเป็นของหนักเน้อแล้วก็ทุกรูปปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ข น, ขนวิญญาณขันเนี่ยเราต้องบริหารจัดการทุกเช้าค่ำต้องแปรงฟันให้มันต้องอาบน้ําให้มันต้องถูสบู่ให้มันต้องล้างต้องสัตวปะเพสอะต้องกินให้มันไม่กินมันก็หิวอะ่ะเอ้า ร่างกายจิตใจมันบีบแบบมันบีบบีบให้เราต้องทาอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องมีเมตตากับตัวเองด้วยอย่าไปมีเมตตากับตัวคนอื่นบางครั้งเราก็ต้องเห็นแก่ตัวบางบางครั้งเอาตัวรอดอโบราณว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดี แต่ ก, ก็ไม่ใช่ว่าไปเอาตัวรอดอย่างเดียวก็ต้องช่วยคนอื่นให้รอดด้วยให้เขารู้จักศีลให้รู้จักธรรมเขาเรียกว่าเป็นจะศีลเป็นจะธรรมเนี่ยสำคัญศีลห้าธรรมห้าข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาเมตตาต่อสัตวสัตว์ทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ข้อที่สองก็สัมมาอาชีพเลยนะต้องหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงชีวิตให้มันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองือคนอื่นเขาจะยังไงก็ช่างเถะแต่ตัวเราพยายามเป็นคนอยู่ในสินในทรรมถึงมันจะอดบ้างจนมากมันก็ไม่ตายนะมันต้องมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเราถ้าเราเป็นคนดีพอนะ ข้อที่สามการมะสังวรเรื่องของกามมะคุณห้าเนี่ยเราก็ต้องรู้จักพอดีให้รู้จักพอดีพองามเพื่อสืบพันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันเอาเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินกันอะไรก็ไม่รู้มันเลยพอดีไปข้อที่สี่จาคสลัดสละ ความชั่วทั้งหลายออกจากกายวาจาใจให้มันได้สลัสละออกบ้างถ้าเรามีอยู่นะความชั่วทางกายก็ได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเนี่ยเรียกว่าความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาก็ได้แก่พูดโกหกห พูดสอเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบพวกเนี้เป็นความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจก็คืออภิชาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาจนเกินไปพยาบาทอ า, ากาตเฉียดแค้นเกินเกิดแก่เจ็บตายจนเกินไป ทำให้ใจนี่เดือดร้อนเป็นทุกข์ข้อที่สามเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดในอกุศลกรรมาบทสิทธิ์เนี่ยเราเคลียร์แค่เนี้ยจากคำาวาอกุศลนี่เป็นกุลศลสิทธิ์นี่ก็ถึงนิพพานได้เหมือนกันสตรได้สตรหนึ่ง มันเหมาะกับจริตนิสัยของเราเนี่ยก็นำเอามาฝึกขัดปฏิบัติจริงจังจริงใจจริงๆมันก็ดับทุกได้เหมือนกันะนั้นการปารุธรรมเรื่องเมตตาบารมีก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรก็รขอสมมุติจติการกล่าวธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมจะมาเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุก ท, ก ท, กทกูคนเธอทุศรัทธา